เมื่อวานหลวงพ่อได้รับหนังสือธรรมะในเลขิตธรรมะในเลขิตเนี่ยเป็นของหลวงตาเป็นหนังสือที่น่าอ่านเล่มหนึ่งนะเพราะเป็นจดหมายเป็นจดหมายขององค์หลวงตาที่ท่านตอบจดหมายโยมสมัยเมื่อ24998ท่านไปจำพรรษาที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับหลวงปูส่สิงทองกับคณะสงฆ์หลวงปู่ลีหลวงปู่หลายองค์ว่ากันจะเป็นรุ่นนั้นน่ะแต่ตันนี้เป็นรุ่นหลวงปู่หมดแล้วสอง8ันสี่ร้ยเก้าสิบแปดไปจำพรรษาที่วัดสถานีทดลองจากนั้นท่านก็มีโยมสองสามคนมั่งภาวนาเอภาวนาท่านดวงตายกย่องเลยนะบอกว่าภาวนา จิตใจสําคัญมากท่าไงนะเอ่อสามารถที่จะรู้รู้ใจคนอื่นได้อีกนะที่ท่านพูดอ่ะเออสามารถที่จะรู้ใจคนอื่นได้อีกนะเพราะนั้นท่านเวลาท่านกลับมาที่บรนตัดท่านก็เลยตอบจดหมายเขาเออตอบจดหมายเขาเวลาเขาเขียนจดหมายมาถามธรรมะนะเออเวลาเขาเขียนจดหมายมาถามธรรมะท่านก็ตอบ จึงได้ชื่อว่าธรรมะในลิขิตอธรรมะในลิขิตเมื่อวันวานมา่ก่อนหลวงพ่อก็เข้าไปกราบหลวงตาบอกว่าหนังสือธรรมะในลิขิตของหลวงตาออกมาจะเป็นจดหมายของหลวงตาที่ส่งไปถึงโยมจันทบุรีสามท่านที่ปฏิบัติตรงตาเอยใช่เอเราตอบจดหมายเขา ในครั้งนั้นรู้สึกว่าเราตอบแบบภาคปฏิบัติเกือบทั้งนั้นเลยเป็นหนังสือออกมาแล้วเหรอครับผมคุณหมอเพนสีท่านเห็นได้อ่านเป็นชุดแรกมีอยู่เก้าพันเล่มท่านห่าโอ้หนังสือเล่มนี้ดีแเขาก็เลยพิมพ์ออกมาอีกประมาณท่านก็เลยเสียสละทุนนะครัพิมพ์ออกมา1มื0นเล่มอ่างั้นมื่นเล่มส่งเข้าวัดป่าบันตาด ห้าพันเล่มแล้วก็ท่านเก็บไว้หนึ่งพันเล่มส่งมาที่นาคำน้อยสี่พันเล่มเมื่อวานพึกหลวงพ่อเพิ่งได้รับเมื่อวานเองนะสดสดร้อนๆเลยหลวงพ่อยังไม่ได้อ่านแต่อ่านที่ส่งมา ก, ก่อนหน้านี้หลวงพ่อได้อ่านดูโอ้เป็นธรรมะที่น่าศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัตินะแต่ผู้ไม่ปฏิบัติก็อย่างว่าเนะ่อแต่โยมที่ว่าเนี่ยหลวงพ่อกับกาเรียนถามว่าเป็นโยมยังไงกับผม ที่หลวงพ่อตอบจดหมายก็มาโยมทองแดงชื่อว่าเงินนะลักษณะทองแดงแล้วก็โยมเอี่ยนเอี่ยมเอียนอะไรนี่แหละแล้วก็อีกโยมอีกคนหนึ่งท่านบอกว่าพวกนี้ภาวนาสําคัญนะพวกนี้นะวันหนึ่งเขามาหาท่านว่างั้นไงนะเขามาหาท่านที่วัดสถานีทดลองพอมาแล้วก็ท่านจิ้งทองเนี่แหละขนองปากถามเขาเป็นไงโยมนั่งภาวนา เห็นอาตมาบ้างไหมเห็นอาตมาบ้างไหมเคยว่าเห็นเห็นใจของอาตมาไหมลักษณะอย่างงั้นหรอเป็นยังไงลักษณะนั้นเขาก็เลยตอบออกมาเลยบอกว่าท่านจิตใจพ่องใสอยู่แต่ยังไม่บริสุทธิ์แต่อาจารย์เออาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์มามหาบัวอาจารย์เออย่าพ่อท่านเนี่ยโอ้จิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วงั้นแต่ท่านในยังนะเออ อันนี้หลวงตาท่านพูดให้หลวงพ่อฟังวันวามวันก่อนะพนูดนะโยมเขาภาวนาเขาก็เขาก็รู้ได้ใช่ไหมแต่นี่แหละเพราะนั้นเรามาอยู่ที่นี่เขาเขียนจดหมายมาเราก็ตอบจดหมายเป็นธร ร, รมะไปนี่แหละจดหมายฉบับนี้ก็เลยเป็นจดหมายธร ร, ร, รมฐฐนะลึกขึ้นนะคือเล่มหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อจะแจกอีกเป็นหนังสือธรรมธาตุธรรมธาตุคือเป็นโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตา ที่หลวงตาโพูดที่ไหนอย่างไรที่เป็นธรรมะขั้นสูงสุดสำหรับภาคปฏิบัตินะเขาก็จะเขาก็รวบรวมมาพิมพ์เพราะนั้นหลวงหลวงพ่อฉันจงหันเสร็จแล้วหลวงพ่อจะแจกหนังสือสองเล่มนะวันนี้ถ้าว่าท่านผู้ใดต้องการครอบครัวละสองเล่มเหมือนกันไม่แห่มากนะแล้วก็หลวงพ่อจะแจกเอ3มพสอีกที่เป็นธรรมะที่หลวงพ่ออบรมต่างกลุตางวาระก็มีอยู่ แต่ว่าธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยทําครมเทศนาของหลวงพ่อเนี่ยถ้าฟังและตั้งใจฟังครัถ้าไม่ตั้งใจฟังหลวงพ่อบอกได้เลยว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจใกล้ใกไม่ซึ้งเหมือนงั้นเถอะเพราะหลวงพ่อพูดนพูดแบบเหมือนลูกโซ่พูดเกี่ยวต่อต่อต่อต่อกันไปแต่เราไปฟังลูกโซ่ใดลูกโซ่หนึ่งฟังไปแล้วมันก็อย่างนั้นน่ะ หลวงพ่อบอกได้เลยบอกว่าถ้าไม่มีเวลาอย่าฟังดีกว่าถ้าฟังไปแล้วมันเสียเสียความรู้สึกหรือว่าเสียงมันลบกวนเฉยๆแต่ถ้าว่าฟังตั้งใจฟังแล้วธรรมะที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยจะได้เนื้อหาสาระในการฟังเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอยู่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับอยู่ในชุมชนและสังคมศีลธรรมจริยธรรมตลอดถึงภาคปฏิบัติกิตตภาวนา จะมีในเนื้อหาสาระในเ p 3สของหลวงพ่อนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะในหนังสือธรรมะถ้าจะว่าไปแล้วธรรมะเนี่ยเป็นยาขมนะมันไม่ใช่ยาหวานยาขมแต่ว่าเมื่อเราฟังแล้วไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วจะซึ้งในใจพอซึ้งในใจแล้วทีนี้เราจะมองเห็นว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราอย่างไร เราจะรู้ได้แต่ถ้าว่าเราไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยฟัร้องรําทําเพลงไปเฉยเฉยจิตใจเมื่อก่อนเนี่ยลุ่มหลงมัวเมาไปเรื่อยๆไม่ใช่มันเจ็ดสงบรลมเย็นเป็นสุขทางจิตใจนะมันจิตใจมันเร่าร้อนทีนี้เออเร่าร้อนอมันเร่งร้าเร่าร้อนในใจิตใจแต่ภาษาธรรมะเนี่ยพอฟังเข้าไปแล้วมันรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จัก สิ่งจะปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราอย่างไรเนี่ยธรรมะมันจะลักษณะอย่างนั้นแต่อันดับแรกมันต้องเป็นเหมือนกัญยาขมฝืนว่างั้นอนะ่ะฝืนศึกษาแต่เมื่อได้ศึกษาแล้วจะนี่เราจะรู้ได้เหมือนกับเรากินยาแก้วัดอย่างนั้นอ่ะเมื่อเรากินยาแก้วัดที่แรกเราก็ไม่อยากจะกินเพราะมันขมมันฝืนแต่ว่าเราไปกินพวก ขนมนมเนยของหวานหวานเข้าไปมันยิ่งเพิ่มเติมเขาอีกยิ่งหนักเข้าไปอีกแต่นี้นเมื่อเรากินยาขมเข้าไปฝืนกินว่างั้นเถอะเพราะฝืนกินเข้าไปอาการมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นเราจะรู้คุณว่าเออกินยาขมนี่ดีกว่ากินของพวกนั้นอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะอย่างนั้นแหะทางว่าเราฝืนฟังฝืนศึกษา อีกสักวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขพวกคณะศรัทธายาโยร ม, มาเห็นวัดหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อทําไมเท ป, ปูนที่เป็นท้งหน้าวัดมากแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็ให้พวกคณะในช่างเขาทำนะก็ไม่ได้รบกวนพระท่านหรอกพระท่านก็ภาวนาตามสะดวกสบายของท่านแต่หลวงพ่อคิดว่าต่อไปอย่างพวกเรามาอย่างวันนี้แหละไม่ใช่วันนี้มันบางทีมันก็มามาก ถ้าว่ารถเข้ามาจอดในบริเวณศาลาทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อว่าเป็นพิษเป็นภัยพอสมควรเพราะว่าอย่างวัดของเราอย่างเนี่ยพวกเรานั่งอยู่เนี่ยมันอุดอู้นะมันไม่มีลมผ่านลมไม่ผ่านมันอุดอู้เหมือนกับเราอยู่ในห้องอย่างนั้นนะถ้าว่ารถเข้ามาจอดมากๆหลวงพ่อว่ามันจะเป็นไม่เป็นผลดีถ้าจะว่าไปแล้วกับถ้าพูดอย่างทุกวันนี่กับมลภาวะเป็นพิษนะหลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้า เป็นไปได้ก็จะให้จอดข้างนอกผู้มีกําลังแล้วก็ค่อยเดินเข้ามาเบ้ยดเสียทัผู้สูงอายุอยังค่อยเข้ามาข้างในะและ้วก็ถ้าจะจอดแถวนี้ก็จอดถ้าพูนั่นก็จอดไว้ข้างนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งมีรถทัวร์เข้ามาอย่างเนี้ยรถบัสใหญ่เข้ามาก่อนที่จะดับเครื่องก็ต้องติดเครื่องซะก่อนเออใครใครๆว่า ใ, ให้มันเครื่องเย็นน่ะเออ กว่าจะดับเครื่องก็เป็นยี่สิบสามสิบนาทีแล้วก็ก่อนจะไปก็ต้องติดเครื่องอีกยี่สิบสามสิบนาทีควันตลบไปหมดหลวงพ่อโอไม่เป็นผลดีเหมือนกับพระในวัดพวกเราที่เข้ามาในกันนะ่ะดูดสูตรกิน่นเข้าไปในปอดหมดแล้วงัน้นะถอะผลนั้นหลวงพ่อจึงคิดแล้วคิดอีกเหบือนกันก่อนที่จะทําที่จอดรถไว้ข้างนอกต่อไปภายภาคหน้าก็คงจะ ลักษณะอย่างนั้นอ่ะถ้ารถใหญ่ก็คงจะจอดไว้ข้างนอกไม่ให้เข้ามาข้างในเพราะอย่างที่วัดเนี่ยพวกเรานั่งอยู่เนี่ะอุดอูอย่างเนี้น่ะอากาศไม่ถ่ายเทเพราะมีต้นไม้เยอะว่างั้นเถอะเหมือนกับเราอยู่ในห้องคงจะเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพอันนี้หลวงพ่ออาจจะคิดมากอาจจะคิดมากไปก็ไม่รู้ว่างั้นเถอะแต่ว่าน่าจะคิดถูกน่าหลวงพ่อว่านะเจ้าคิดตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเขานะ อันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เข้าพรรษามาก็เดือนกว่าแล้วนะอันนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วต่อไปนี้ก็คงจะเป็นงานกรถินกันละทีนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกรถินของหลวงพ่อเนี่ยออกพรรษาได้สองวันวันที่ยี่สิบหกออกพรรษาวันที่ยี่บแปดกักรถินตามปกติหลวงพ่อเองก็ทอดกรถินก็หลังหลวงตาสะมองหลวงตาท่านจะ จะทอดวันเสาร์อย่างหลวงพ่อก็คงวันอาทิตย์ต่อไปแต่ปีนี้ทางภูกร่อนมาขอหลวงพ่อบอกว่ากรถินพระราชทานเขากําหนดก่อนแล้วว่างั้นขอเป็นวันที่เออเขาเป็นวันที่สี่เอีแต่นี้หลวงตาหลวงพ่อก็ทราบว่าหลวงตาวันที่สามทางวันจะเอาวันที่สี่ก็ชนกับภูก้อนเนี่ยอยู่ใกล้ๆ ก, กันหลวงพ่อก็เลยหลีกหลีกให้ภูก้อนหลวงพ่อก็เลย ถ้าหลีกไปอีกมจะไกลกันไปเลยขยับล่นออกพรรษาล้เอาเลยอ่างนั้นนะก็เลยเป็นวันที่ยี่สิบแปดอย่างที่เห็นนี่แหละศรัทธาญาติโยมบางท่านบางคนที่มาทําบุญกับองค์หลวงตาวันทอดกระดินหลวงตาโอ้ทาไมท่านอาจารย์จึงทําเอาวันที่ยี่สิบแปดถ้าไปอย่างนี้เนี่ยก่อนพวกเราก็ต้องมาสองขยับดีองั้นมาหลวงพ่อแล้วก็ต้องกลับมาหลวงตาอีกทําไมหลวงพ่อจึงไม่ทํา ให้หลังลงตาไปเลยเหมือนทุกปีที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ที่เป็นทุกสีทุกหาองคหลวงตาก็ทําลักษณะอย่างนั้นเกือบทุกวัดนหะลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยก็เลยหลีกให้ผูก้อนเนวันที่สี่หลวงพ่อก็เลยขยับมาเป็นวันที่ยี่แปดไม่เป็นไรหรอกถ้าว่าศรัทธาญาติโยมผู้ใดว่างเยค่อยมาถ้าไม่ไม่ว่างก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ว่างก็ไม่มาอ่า ทำบุญกับองค์หลวงตานะดีที่สุดแล้วสำหรับหลวงพ่อเองก็ไม่มีอะไรหนักหนาแนละ้าไม่มีอะไรหนักหนาพอเป็นพอไปอยู่แล้วแล้วกันนั่นอนะ่ะองค์หลวงตานะี่ช่วยสงเคราะห์โลกมากต่อมากพวกเราจะทำบุญกันนะทำบุญกับองค์หลวงตาท่านหลวงตาก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่แล้วทำบุญกับองค์หลวงตาเนะี่ยเหมือนกับเนื้อนาที่ดี หวานลงไปเนื้อนาที่ดีมเมล็ดพืชของเราดีเนื้อนาที่ดีจะได้รับผลอย่างเต็มเปีย่ยมเนื้อนาที่ดีคือท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพืชที่ดีเมล็ดพืชที่ดีพืชพันธุ์ที่ดีก็คือพวกเราได้จตุปัจจัยได้เงินคำทรัพย์สมบัติมาด้วยความบริสุทธิ์ ไม่ได้โคดไม่ได้โกงไม่ได้ปน่นไม่ได้จี้ใครมานะได้มาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราแล้วก็ไปทําบุญนะกับครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างองค์หลวงตาเนะีนะ่ยนอันนี้ประวัติเนื้อนาก็ดีเม็ดวัชพืชของเราไปหวานก็ดีนะบุญกุศลเต็มที่นะในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจา้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นนะถตอนนี้ไปรับพรถึง อ, อนุโมทนาให้พร